จะเริ่มพูดธรรมะจะมีเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้แลวเหนื่อยมากด้วยวันนี้พูดจะไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องความหลงลืมนี่มันรู้สึกว่าเด่นขึ้นทุกวันทุกวันนะพูดไปหลงลืมไปพูดไปหลงลืมไปเวลานี้ยังไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอะไรเลย อยู่ลำพังคนเดียวนั้นเหมาะสมเต็มที่กับสภาพความเป็นอยู่เวลานี้ในหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวข้องดกนาเข้าทุกวันคําลังผมก็ยิ่งอ่อนลงร้านจงให้ตั้งใจมีหลักยึดภายในตัว ความสัตว์ความจริงนี้เป็นสำคัญต่อการประกอบหน้าที่การงานทางด้านจิตใจคือได้แก่จิตภาวนาใจไม่มีหลักละเลาะแหละทำอะไรก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นใจมีหลักย่อมเป็นกำลัง วันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาทั้งทั้งพระใหม่พระเก่าก็ทราบด้วยกันพระใหม่อาจจะยังไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาทางนี้มาพอประมาณวันแรมค่าหนึ่งนี้เป็นวันเป็นฤดูฝนเป็นอิวันอธิษฐานพรรษาของพระ ผู้ราษรนาจักไทยเราแม้ที่อื่นก็ถือวันนี้เช่นเดียวกันตั้งใจจะอยู่ในสถานที่นี้ตลอดไตรามาสคือสามเดือนจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากมีกิจจำเป็นที่ต้องสัตหะกรณียกิจไปเท่านั้น จิตจำเป็นก็คืออุปชาอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เก็บไข้ได้ป่วยหรือเพื่อนสติงหายเกิดความกั้สันอะไรตลอดถึงการซ่อมแซมวุติวิหารในวัดด้วยความจำเป็นแล้วก็ ไปด้วยสัตหากรารียกิจได้ภายในเจ็ดวันแล้วกลับมาค้างคืนหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยสัตหะต่อไปอีกจนกว่ากิจที่จำเป็นนั่นจะสำเร็จรู้ล่วงไปได้เช่นไปหาไม้มาซ่อมมีหารหรือกุฏิที่ชำบุษสุดโทรมหรือบิดามารดาเก็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นี่ยกมาเพียงอีกระเทศ ที่ควรอนุโลมก็หากมีแต่เวลานี้มันเลยอนุโลมอนุหลวมไปแล้วแหละมันเลยเถิดเลยแดนไปถ้าพูดถึงเรื่องความหย่อนยานนี้มันเร็วที่สุ ด, ดถึงเรื่องความเ ค, คร่งคัดต่อหลักธรรมหลักวินยัยเพื่อเป็นกำลังใจของตัวเองนั้นรู้สึกจะมีน้อยเข้าทุกทีทุกทีความหย่อนยานนี้เร็ว พระกรรมฐานเรานี้นับวันจักโกโลโกโสไปโดยลำดับลำดานี่ที่น่าสรุดสังเวชมากทีเดียวตัววันนี้ไปที่ไหนลืมอัดลืมทรรมเลยถือโลกเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมไปโดยลำดับสุดท้ายก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่อารมณ์ของโลกเข้ามากลุ่มลุมภายใน จ, ใจิตใจ มีแต่การจ ะ, จะสะ่จะแสวงหาโลกามิษฐ์ซึ่งเป็นเรื่องของโลกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นอัธรรมที่เป็นเครื่องสงบลมเย็นเป็นเครื่องชำระกิเลสภายใน จ, ใจิตใจซึ่งเป็นตัวยุ่งเหยิงบุ่นวายนั้นไม่ค่อยจะมีความสนใจเท่าที่ควรและไม่สนใจไปทุกวันทุกวันแล้วเวลานี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่สถานที่นี้ โดยที่ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาอบรมสั่งสอนเพื่อนฝูงเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา40กว่าปีแล้วได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเมตตาสงสารธรรมะที่แนะนำสั่งสอนก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางคือทั้งด้านธรรมด้านวินัย เพื่อให้เป็นหลักเจจกณฑ์แก่จิตใจของผู้มาศึกษานั่นแหละท่านผู้มาศึกษาก็พึงตั้งอกตั้งใจรับไว้เป็นหลักใจของตนเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักใจและเมื่อผ่านเรื่องผ่านไปแล้วได้จากครูอาจารย์ไปก็ใหถืออัตธรรมนั้นเป็นหลักใจซึ่งเช่นเดียวกับถือพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เป็นหลัก ใจเรื่องดดำเนินตลอดเวลาเพราะธรรมคำจังสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือองค์แทนศาสดาพระ อ, องค์จับปริพาน์ไปแล้วทรรมก็คือธ ร, รมสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เป็นที่สงสัยเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าจะต้องถึงจุดที่หมายด้วยข้อปฏิบัต ซึ่งดำเนินไปตามแถวธรรมที่ท่านสอนไปแล้วนั้นแน่นอนถ้าไม่ยึดหลักนี้เป็นเครื่องดำเนินแล้วเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปก็เล้วแหลกแบกแนวอันนี้ที่เสียมากเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะใจไม่มีหลักยึดมันเองเลอะแหละโละเลพอออกจากครูาอาจารย์แล้วก็ เป็นเรื่องที่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวสุดท้ายก็เลยไม่ควา้าเลยคว้าแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทนนี่อันนี้สำคัญมากในวงปฏิบัติของเราวงอื่นๆเราก็ไม่คิดไม่อ่านไม่สนใจแหละเพราะไม่เกี่ยวโยงกันมากเหมือนกับวงปฏิบัติของเรานี่เกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดจึงต้อง เลยแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเมื่อเวลาไปสถานที่นั่นไปวัดนี้วัดนั้นก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเสมอเพราะเรื่องมันเกี่ยวโยงกันเรศก็ลำบากเดี๋ยวนี้เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนขึ้นจะพูดแต่ละประโยคจึงเป็นการลำบากนี่เองเป็นเหตุที่ไม่ให้ได้อบรม พระเนนทั้งหลายเนี่ยวัดนี้ซึ่งเคยปฏิบัติมายังขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรของตนทำได้กล่าวไว้แล้วอย่างไรนั่นแลผลอยู่ในจุดนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตโลกเข้าสู่จุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็เป็นคนดีรักษาตนได้ มากกว่า น, นั้นก็สามารถที่จะทรงมรรคสมผลขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีเรื่องกิจนีส้สำคัญมากละเอียดมากหากิเลสได้กลุ้มลุมมันแล้วความคิดไปทางโลกทางสารที่จะกอบคุยเอากิเลสมาเผาหลนตนเองนี้มันรวดเร็วมากทีเดียวตามไม่ทัน จึงต้องได้ใช้อุบายวิธีหลายอย่างหลายประการดังที่เคยที่บายให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วไม่เช่นนั้นไม่ทันเดินจงกรมสักกี่ชัว่วโมงมันก็ไม่ได้เลืองนั่งสมาธิกี่ชัว่วโมงก็ไม่ได้เรืองถ้าสติไม่ดีสักอย่างเดียวการที่ตั้งสติให้ดีต้องมีอุบายวิธีการรักษา มีกําลังบางชาอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้ตั้งสติไม่ค่อยอยู่และไม่อยู่ยิ่งกําลังไหวอย่างพวกเราท่านๆ น, นี้แล้วสตินี้ผาดโผนมากทีเดียวตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดผมเคยเป็นมาหมดแล้วจึงต้องเลยสมุกสมบัติอย่างเต็มที่ซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะทําก็ทํา ว่าจะทําได้ก็ทำว่าจะทําได้หรือไม่ได้ก็ทําจนได้ยิ่งได้เห็นผลขึ้นมาโดยลําดับจิตจะเป็นความสงบล่มเย็นขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกทรมานทั้งร่างกายก็ลําบากลําบน้รงร่างกายมีกําลังกิเลสก็มีกําลังประําตามกันเครื่องเครื่องมือของกิเลสก็พร้อมหมูล คือร่างสร้างขานร่างกายของเหล่านี้มีกําลังมากกิเลสก็พาดีดพาดิน้นได้อย่างคล่องตัวสติตามไม่ทันปัญญาตามไม่ทันมีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแล้วก็มาทําลายเราต่อหน้าต่อทานั่นแหละนี่ที่ทําให้น้ําตาล่วงไม่ลืมเวลามันผาดโผล่ผาดโผล่จริงๆเรื่องกิเลสนี่ โหนจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่านี่อะไรเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันมีแต่กิเลสล้วนๆเสียพาในความคิดความปรุงของใจไม่มีธรรมเข้าแทรกมังเลยทั้งๆที่เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละแต่อารมณ์ของกิเลสมันเต็มไปหมดมันเหยียบย่ำทำลายความเพียรไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตจึงหาความสงบไม่ได้ ผู้ปฏิบัติเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่เจอเมื่อจิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เริ่มเจอความสงบภายในหวัวใจของเรานี่แหละขึ้นไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายถ้าใจของเรามีความสงบบ้างพอประมาณเรื่องความดิดความดินของใจมีอยู่เป็นประจำเอียาบทนี่เป็นสาคัญมาก เท่ากับเอาไฟเผาอยู่เราอยู่ตลอดเวลาคือเผาใจนั่นแหละไม่ดีดให้ดิดด้นให้ร้อนรนกรวนก็วายอะไรก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรบกพร่องแต่กิเลสมันก็สมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจเราก็าแผดเผาเราให้รับความทุกข์ความทรมานเนี่ยทุกในหัวใจนี้คือทุกเพราะอํานาจของกิเลสความโลภความโกรธ ราคาตันหานี่สาคัญมากต้องเอากันอย่างหนักไม่หนักไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องดึงดูดอย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรเด่นกว่านี้ในบรรดากิเลสทั้งหลายเท <c oughs> ่าที่ปฏิบัติมาท่านว่าวิชาปัิญาสร้างข่ารานั้นเพียงเป็นพื้นฐานให้เกิดสิ่งเหล่านี้เท่านั้นมีราคาตันหาเป็นสาคัญอันนี้ออกหน้าออกตา โดดเด่นมากกว่าสิ่งใดๆไม่ว่าความคิดในแง่ใดอันนี้จะออกหน้าอันนี้จะออกหน้าทีเดียวแล้วออกไปมากน้อยเพียงไรก็ว่านเอาความทุกข์ความเดือดร้อนบุบวายเข้ามาหาเรามากน้อยเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกริธารมานกันอย่างหนักจึงได้สงบลงสงบก็คือสงบเรื่องอันนี้แหละราคาตันหา เมื่ออันนี้สงบลงแล้วใจก็สบายไม่ยุ่งเหยิงบุบายกับรูปนั่นเสียงนี้รูปก็จะเป็นรูปอะไรเสียงอะไรถ้าไม่เป็นรูปเป็นเสียงที่เป็นวิสภา ค, คือค่าสุขศัตรูต่อกันอันเป็นเครื่องเสริมราคาตันหาให้กำเริบยิ่งขึ้นจะเป็นรูปเป็นเสียงอะไรดิ่นลดเครื่องสัมผัสก็คือธรรมชาติอันนี้แหละที่เป็นภพยกว่าสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจงสั่งสอน อันเป็นหลักสำคัญว่าอัธตะนะอานันดาเวลาพระอานนทูลถามการปฏิบัติต่อสตรีภาพปฏิบัติอย่างไรเด็ดลงไปเลยว่าไม่เห็นไม่ดูซ่เลยอาน์ดีน่ะถ้าเหใจได้เห็นได้ยินจะมีจะทำอย่างไรไม่พูดดีน่ะ ถ้าเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยแล้วทำไงให้ตั้งสติให้ดีหยับให้เป็นไปทำนาคแห่งตันหา ร, ราคาตันหารนั่นฟังสิพูดย่อๆเท่านี้ก็ได้ความแล้วว่าตัวนี้มันรุนแรงมากไม่เหมือนตัวไรอันนี้แหละที่เป็นเครื่องดึงดูดจัว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารให้ทาบาปทำกรรมทาความชั่วชา้าหลอมกเสาะแสวงหาใน เป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองก็คือธรรมชาตินี้แหละเป็นเครื่องบังคับให้คนได้ทำความชัวช่วช้าหลามมกอันนี้เป็นสิ่งดุลแรงมากผักดันได้อย่างลึกลับและกว้างขวางมากคลิกหลายสันพันคมก็คือตัวราคานี่แหละเครื่องดึงดูดก็คือตัวนี้นำหน้าก็คือตัวนี้ อะไระไรเครื่องจองจำก็คือตัวนี้เป็นสำคัญสำคัญอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้ได้สงบลงไปใจจึงสบายอันอื่นสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญถ้าตัวนี้ไม่สงบแล้วมันจะแสดงอย่างเด่นชาติภายใน ห, หัวใจให้รับความทุกข์ความลำบากมากทีเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อทำจริงๆแล้วจะรู้สึกว่ามีความลาบากทรมานมากภายใน ห, หัวใจ เว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาและเพลิดเพลินไปตามมัน น, นั่พวกนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ว่าพระนม่นักบวชนักปฏิบัติหรือใครๆก็ตามถ้าลงได้เพลิดเพลินคับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วพวกนี้ตายไม่มีปา่าช้าแต่ผู้ที่มุ่งต่ออต่อทำแล้วอารมณ์อันนี้แหละเป็นอารมณ์ที่เสียดแทงหรือที่แสบที่สุดภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติสะดุดตึกสะดุดตึกเลย มันกระเทือนมากเวลาเราได้พินิพิจารณาสิ่งเหนี้ให้อ่อนตัวลงไปงนี้ความกระเพิ่มของอารมณ์แห่งราคาตัณหานี้ขึ้นในขนาดใดมันจึงทันกันทันทีทันทีเพราะอะไรเพราะถือว่าสิ่งนี้เป็นค่าสิทธต่อจิตใจมากเมื่อแสดงขึ้นมามันก็กระเทือน ผ, ผิดกับสังขารทั้งหลายที่เคยเคยิดเคยปรุงมาแล้วสังขารประเภทนี้จะกระเทือนให้รู้สึกตัว ทันทีทันทีแม้จะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ทันทีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ถามพอสังขารประเพศราคะตัณหานี่ปรากฏแยบขึ้นมาเท่านั้นเหมือนกับสะดุดกึกสะดุดกึกนั่นมันรุนแรงให้เห็นอยู่พอสติรู้ทันภาพมันก็ดับมันก็ดับแม้ไม่ขาดมันก็ไม่แสดงเพราะมันมีกําลังน้อยลงไปแล้ว ถ้ามีกำลังมากแล้วไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพลินหลับไหลไปตามมันนี่อันนี้แหละควรนักภาวนาเราขอให้ทุกท่านจํเอาไว้ให้ทำความเข็ดหลาบต่ออารมณ์นี้เอาไว้ด้วยทุกทรมานมากก็คือสิ่งนี้ดูดดื่มที่สุดหรือกดทวงที่สุดก็คือธรรมชาตินี้ ออกหน้าออกตาที่สุดก็คือธรรมชาตินี้สัตว์โลกและล่มจมอยู่โดยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดอันนี้ออกหน้าออกตาเป็นเครื่องดึงดูดตามมากมายและเป็นเครื่องชักโยงเป็นเครื่องลากเครื่องถูไป ต, น, ตนได้โดยไม่รู้สึกตัวถูไปลากไปเพลินไปกับมันไม่รู้ตัวเลยนี่สิสําคัญมาก นูน่นเมื่อได้ชำระสะสางกันลงไปโดยลำดับแล้วก็เริ่มเห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นเวลาปรุงขึ้นในเรื่องอารมณ์อย่างนี้แม้จะไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่ออันนี้ก็าตามจะสะดุดจิตทันทีทันทีคือรู้ทัน <c oughs> เหมือนกับว่าปลูกสติให้เกิดขึ้นในขณะที่มันปรุงนั่นแหละทุกทีทุกทีทกทไม่มี ไม่มีเสียขนาที่ปรุงไปเลยน่ะปรุงขนาดใดรู้ขนาดนั้นทำการทำงานอะไรอยู่ด้วยความจาเป็นซึ่งเป็นงานหยาบเช่นทำไม้ทำอะไรซ่อมคุติอะไรอยู่อย่างนี้ซ่อมกระต้อกระแทบอยู่อย่างนี้อารมอย่างอื่นไม่ทันเวลาเราทำงานอย่างนั้นมันคิดอารมณ์อื่นๆไม่ทันแต่อารมณ์มันนี้ สะดุดเกึกสะดุดเกลืไม่มีพลาดไปเลยนั่นเพราะความจดจ่อต่อกันเพราะความระมัดระวังกันมากเพราะความรุนแรงของมันด้วยประกอบกันจึงทําให้ผู้ปฏิบัติไปรู้สึกตัวทันทีทัน ท, ท, นทีไม่มีพลาดไปได้ว่าขณะที่มันคิดขึ้นไม่รู้เท่าทันกันนี่หมายถึงเวลาเรายังแค่มันไม่ขาดตัดมันยังไม่หมดไปสิ้นไปจากหัวใจ รุ่งขึ้นมามันยังรู้เพราะมันรุนแรงนี่เมื่อสามารถกาจัดมันลงได้อย่างราบคาบแล้วจิตใจนี้ไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่ความเบาตัวหมุนขึ้นเลื่อยเื่อยเบาเลื่อยไม่มีอะไรกดถ่วงน่วงใจ ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้เป็นความทุกข์สมอยู่ภายในตัวเองนอกจากอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบชัดเรื่องราวของตนเองว่าอันใดกิเลสประเภทใดที่มีความหนักห่วงทวง จ, จิตใจหรือทรมาน จ, จิตใจให้ได้รับความทุกข์มากเพียงไรก็คืออารมณ์อันนี้เองเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่มากผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ตั้งเข็มทิศ หรือตั้งความมุ่งหมายลงไว้ให้เต็มที่อย่าดได้มีความชินชากับอารมณ์อันนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นพลาดท่าให้มันจนได้เวลาสิ้นสุดจากธรรมชาตินี้ไปแล้วจิตใจไม่ได้เป็นอย่างที่เคยกดเคยถ่วงคือมันถูกกดถูกถ่วงตลอดเวลาและนอกจากนั้นยังทำให้คล้อยไปด้วยนะให้เคลิมให้หลงไหลกับมันไปด้วย แล้วถุดไปลากไปเมื่อมีสติแล้วก็ฉุดลากมาได้ฉุดลากมาได้จนกระทั่งทําลายให้สิ้นซากลงไปจากใจแล้วจิตใจไม่มีอะไรหมุนไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่เบาหิวหิ ว, วถ้าจะเทียบวัตถุ ก, ก็เหมือนสำลีหมุนตัวขึ้นบนอากาศหมุนขึ้นหมุนขึ้นเบาหิวหิวหิ ว, ว, ว หมดความอะไรตาอยากกับสิ่งใดในโลกนี้นั่นเพียงตัวเดียวนี้ขาดลงไปจากใจเท่านั้นก็ทำให้หมดความอะไรตาอยากอะไรไปเสียทั้งนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่เห็นมีความหมายอะไรแล้วขั้นสรุปความลงแล้วก็คือมีอันเดียวนี้เท่านั้นสร้างความหมายให้โลกได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกทรมานแสนสาหัสโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คือ อารมณ์อันนี้ธรรมชาติอันนี้แหละมันจึงย้อนมาลู่กันอืมเมื่ออันนี้ได้ขาดบ้านลงไปจากใจไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีความรุนแรงแต่ก่อนเพราะธรรมชาตินี้พาให้รุนแรงมันก็ระงับดับไปหมดป้าหนึ่งว่าไม่เห็นมีอะไรมีคุณค่าเลยมีแต่หมุนตัวเรืเ่อยๆหมุนตัวเพื่อก้าวออกสู่ความละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไป พอพ้นจากนี้ก็พ้นจากพ้นจากธรรมชาตินี้จิตก็ละเอียดเต็มที่อยู่แล้วในขั้นนี้พรอก้าวจากนี้ไปก็มีแต่ความละเอียดเรื่อยเรื่อไปแล้วไม่เห็นไปกังวลกับอะไรทั่วแดนโลกธาตุไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเกาะมาคล้องมาผ่าน จ, จิตใจให้เป็นอารมณ์ขึ้นมากับมันเลยถึงแน่ใจลงได้ ว่ามีอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นที่สร้างเหตุการณ์ใหญ่ๆและเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกันระโยงระยางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้ให้เป็นอารมณ์ไปด้วยกันหมดก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นเป็นตัวใหญ่เป็นแกนเป็นรากฐานอันสาคัญเรายกวิชาไว้เสียเพราะนั้นไม่ได้มาทางานตัวนี้ตัวทางานทาเอาอย่างเด่นชัดทีเดียว ทำให้สัตว์โลกพินาศจัตตโลไปเพราะอำนาจของมันถูไถให้ไปบังคับให้ทำก็คืออันนี้เองโลภมากจะเป็นอะไรไปโลภเพื่ออันนี้เองความโกรธก็เพื่ออันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อะไรความลุ่มหลงจนเด่นชัดจนหน้าเกลียดก็คือธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นไปนี่อันนี้สําคัญมากฮนะ มันสร้างได้ทุกอย่างทีเดียวร้อยสรรพันคมอยู่กับอันนี้หมดมันทำให้คว้านควายให้ดิ้นให้ดีดไม่มีเวลาเวลากลางค่ากลางคืนจะเป็นจะตายไม่รู้ป่าช้าของตัวเองก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากมากบรรดาสัตว์โลกเพราะตัดก็ห่วงใยไม่อยากตัดนั่นฟังซิ อันหนึ่งมันนักแทกขึ้นมาก็จะตัดก็ห่วงใหญ่ความห่วงใหญ่ก็คือตัวมันเองมันไม่อยากตัดก็คือตัวมันเองอ้อยอิงเสียดายก็คือตัวมันเอง ท, ทําจิตของเราให้เคลิ้มอยู่นั่นตลอดเวลาจนกว่าจะมีกําลังใจกําลังสติปัญญาเข้าต่อต้านกันเข้าต่อต้านกันแล้วทําแทรกขึ้นมาซึ่งมีรสชาติเหนือกว่ากันเหนือกว่ากันค่อยรู้เรื่องของกันไปโดยลําดับเจนกระทั่ง รสชาติของทำเหนือกว่าแล้วเอาไว้ไม่อยู่อยังไงก็มีแต่จะเอาให้พังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีความรักความสงวนเอาไว้อย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่มีแล้วพอได้เห็นพิษเห็นภัยของหมันเต็มหัวใจแล้วสลัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นนี่ละอํานาจของธทำเหนือกว่าเหนืออย่างนี้เองไม่เหนือกว่าตัดไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งใดก็าตามแต่เรายกอันนี้เป็นซึ่งเป็นอารมณ์รุนแรงมากมา แสดงว่าเป็นสิ่งที่ตัดยากมากแล้วไม่เห็นโทษของมันอย่างง่ายได้ต่อเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพี่ยนของเราหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโทษที่มันเต็มอยู่ภายในตัวของมันแต่ก่อนที่เราไม่เห็นนั้นได้เห็นขึ้นมาเป็นลําดับลําดาจนกระทั่งเห็นโทษของมันล้วนๆทีนี้คุนจนไม่ปรากฏเลยมีแต่โทษมีแต่โทษนั่นแหละ จิตที่หมุนติว้วต้วในขั้นนี้ก็เป็นอัตโนมัติของจิตเรียกเราเรียกว่าภาวนาบัญญปัญญาหรืออัตนาอัตโนมัติของสติปัญญาก็ไม่ผิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทันกันทั้หมุนติวต้ ว, ต, วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งได้ขาดสะบัน้นหาเอื้อนต่อกันไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์กับหัวใจแล้วทีนี้เป็นยังไง ความปดความถ่วงห่วงใหญ่ทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติอันนี้พายสร้างพาระขึ้นอย่างหนักอย่างทรมานนั้นเป็นยังไงเขานี่ก็ดีดผึงยจริงว่าเป็นเหมือนซําลีเบาวิววิวอ๋อเป็นธรรมชาตินี้เองมีธรรมชาตินี้เท่านั้นที่เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอานาจวาสนาทำให้จิตดวงนี้ได้หมุนติว้ว จนทั้งสัตว์ทั้งหลายเสียเนื้อเสียตัวจมลงไปในในรกก็มากมายเพราะมันอันนี้เองเป็นผู้บีบบังคับเป็นผู้ให้ทําเป็นผู้ให้ส่อแสวงหาโดยแม่คํานึงถึงทางปิดทางถูกดีชั่วประการใดเพราะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะนําเรื่องต่างๆมาคิดแล้วค่อยทําลงไปเลือกเฟ้นแล้วค่อยทำลงไปเพราะอันนี้รุนแรงมากกว่ามันจึงทําให้ท่านหลําไปได้หมดทําได้หมดเพราะอันนี้ หากสะบัดลงไปแล้วปัญญาขั้นนั้นก็ยิ่งละเอียดกว่านี้อีกมันก็ยิ่งเห็นได้ชัดะแล้วเบาหิวหิ ว, วนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านพ้นนี่แล้วท่านไม่กลับมาที่กลับมาก็คือสิ่งดึงดูดอันนี้แหละเมื่อหมดอันนี้แล้วก็เรียกว่าหมดสิ่งดึงดูดที่จะให้กลับมาอีกไม่มีแล้วจึงเบาหิว หมุงตัวขึ้นไปโดยหลักธรรมชาติของจิตในขั้นหมดความห่วงใยกับสิ่งทั้งหลายแล้วแล้วก็ก้าวเดินโดยอัตโนมัติของตนคือเป็นจิตที่อัตโนมัติในทางความเพียรอยู่ในนั้นเสร็จยิ่งมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งได้เร่งความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วกว็าตามธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตโนมัติของตัวเอง เป็นแต่เพียงว่าช้าให้เป็นไปต า, ตามหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองถ้ามีชีวิตอยู่หมุนได้เร่งได้พินิษพิจารณาได้เป็นความเพียรได้อย่างชัดเจนที่จะให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เมื่อสิ้นไปแล้วธรรมชาตินั้นก็ทำงานของตัวเองหมุนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะทำให้หมุนนั่นแหละ นี่ว่าเชื่อที่จะทำให้เกิดอะไรต่อไปอีกนั้นมันไม่อยากจะพูดทั้งหมดเชื้อที่ทาให้หมุนบางหมุนกับหมุนเกิดหมุนตายนั่นแหละแต่จิตขั้นนี้นันไม่ได้ไปเกิดไปตายในที่ทั่วทั่วไปอย่างมากที่ว่าไปเกิดในสุทธวาฏเอาพูดว่าเกิดก็เกิดในสุทธวาฏห้าชั้นมันเสียอวิหาอตปาสุตสาตุสีเข้าไปตรงนั้นเข้าไปจุดนั้น แล้วก็หมุนตัวเรื่อยๆแล้วข้ามไปจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนั้นถึงอาการิฐานี่นี่ขั้นจะสุดยอดลเลยสุดสุดของกิเลสของสมมติไปถึงจุดนั้นแล้วก็หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วก็ดีดถึงทนวั น, นิพานท่านนี่ละกิต ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากน้อยเพียงไรถ้ามีแต่ความจดความจํำเฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องใดราวเหมือนเราเหมือนท่านท่านเหมือนเราเรียนไปเท่าไหร่ก็งูปลาปลามีแต่ความสงสยัยสนเทศทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์ตลอดนิพพานมีแต่ความจําได้จากตํำรับตาํารานี้ไปเป็นข้าศึกต่อตนเสียหมดหา สิ่งที่ปรากฏเป็นสาระสําคัญภายใน จ, จิตใจไม่มีเลยนั่นจะว่าไงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติปริยตัติคือการศึกษาโราเรียนมาแล้วก็เหมือ น, อนกันคําว่าแบบแปลนแผนถังที่จะปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเพราะการก่อสร้างนั่นเรียกว่าภาคปฏิบัติเอาแปลนออกมากลางแล้วก็ดูแปลนสร้างตามแปนนั้นก่อสาเร็จเป็นบ้านเป็นเรือน ลังเลลังใหญ่ ก, ก, แก็แล้วแต่แปนบ่งบอกนี่เราปฏิบัติก็เหมือนกันทันว่าความสงบเย็นใจถ้าไม่ปฏิบัติหาความสงบไม่ได้ลำพังความจําฟุ้งตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนไม่ได้ศึกษาเลเหลี่ยนนี่แหละเดืงต้องใช้ภาคปฏิบัติภาวนาเช่นเรากําหนดบุตริยรรมพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติแล้วกําหนด พุโทโธธรรมโมสังโฆบทใดก็ตามเหลือกำหนดอนาปานสติให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยเฉพาะประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมกับความรู้สัมผัสสัมผั์กันเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าภาวนาคือภาคปฏิบัติแล้วอาการของจิตกับอารมณ์นั้นมีความสัมผัสสัมผั์กันมากน้อยแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรผู้ปฏิบัติผู้ภาวนานั่นแหละจะเป็นผู้รับทราบในผลงานของตน เมื่อจิตสงบลงไปตัวเองก็รู้นั่นแหละคำว่ากิตสงบนั่นแหละคือผลงานปรากฏขึ้นแล้วท่านว่าสมาธิความสงบหรือสมาธิความจิตตั้งมั่นในตำรับตาลาก็เวลามาสงบมาตั้งมั่นก็มาตั้งมั่นที่ใจของเราเองอันนั้นเป็นชื่อในตำรับําลาเป็นชื่อตัวจริงแท้มาเป็นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละท่านจึงสอนให้ปฏิบัติ ใจิตสงบมากน้อยก็เด่นขึ้นภายในตัวของเราด้วยแล้วเราเป็นเจ้าของของสมบัติคื อ, ค, อความสงบนี้ด้วยเป็นเจ้าของสมบัติของสมาธินี้ด้วยฉันสอนทางด้านปัญญาก็พิพพนิพพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นตามหลักความจริงของมันซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วหลายครัง้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจ ในเรื่องอันนี้จังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตก็ดีอสุภะอรุพังความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิคุณโสโคกในร่างของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฟื้นความจริงออกไปเสกสรรตั้นย่อไปตามเรื่องความหลอกลวงของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกิรังท้าวรต่างหากมันจึงทําให้เราเกิดความเพล่งเพ้อเห่อเหิมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ ก็เอาทุกเข้ามาเผาหล่นตนเองเมื่อใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักความจริงนี่แล้วหลายครั้งหลายหนก็จะทราบความจริงเข้าไปโดยลำดับแล้วค่อยปล่อยวางกันไปปล่อยวางกันไป น, นั่นนั่นเราเรียกว่าปัญญาเมื่อปล่อยวางกันไปจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนเพราะเป็นผลของปัญญาที่เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างแล้วออกไป ก็เป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติของเรารู้ประจักษ์ในใจของเราเป็นสมบัติของเรานี่ช่งท่านเรียกว่าความจริงทั้งปรากฏขึ้นในตนเป็นสันติทิกรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยทั้งเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัตินั้นด้วยจนกระทั่งสติปัญญา ม, มีความแก่กล้าสามารถสังหารได้หมดขึ้นช่อวกิเลสอาสวะประเภทต่างๆ กระทั่งถึงอวิชาปฏิยาหรือราคาตัญหาแล้วก้าวเข้าสู่อวิชาและพังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุโทโธไม่ใช่จิตที่ดับสูญเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุโทโธปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเจ้าของท่าเทียบยทุกวันนี้เขาเรียกว่าร้อยเปเซ็นเป็นสมบัติของเจ้าของโดยสมบูรณ์ไป น, นี้หมดแล้วเรื่องความกังวลในการเกิดการตายกอนการท่องเที่ยว ในวตาสงสารเป็นอันว่ายุติกันลงในกิจที่บริสุทธิ์เพราะความชำะระซักพ อ, อ, อกได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาก็บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมอย่างนี้อย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงหลุดพ้นที่หัวใจนี่แหละคือสมบัติอันล้นค่าของท่านที่เป็นความจริงและเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติ ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากภาคอื่นใดแล้วปัจจุบันนี้มีไหม่ทำที่เป็นเครื่องซักฟอกทางก้าวเดินเพื่อมรผญนิพพานก็อริยสัจสี่เป็นหลักฐานอันสําคัญมากภาคปฏิบัติเราดําเนินไปตั้งแต่สมาธิภาวนานี่แหละเป็นทางก้าวเดินเพื่อความสงบสุขและความและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่กล่าวนี้แล้วเลยแม้พระพุทธ ถ้าเจ้าจะปริพันธ์ไปแล้วสวาคาธรรมที่ตรัสให้ชอบแล้วก็ชอบอยู่โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบุกค้องไปตามองศาสด า, าที่นิพพานนั่นเล ย, เ, ลยเราจึงควรจะหนักใจให้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติของเราอย่าให้เหินห่างติตใจกับสติด้วยการพินิจารณาเช่นบริกรรมพุทโธไปไหนให้มันติดแนบอยู่กับพุทโธให้มีความรู้อยู่กับพุทโธ ความรู้เหล่านั้นที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นความรู้ที่ยุ่แย่ก่อควรทั้งนั้นส่วนมากไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นผลประโยชน์อะไรมากนักเราก็เคยคิดมามากแล้วเวลานี้เราจะคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทมเพื่อเป็นสาระคุณแก่ใจของเราเพื่อรักษาใจของเราแต่ก่อนเราปล่อยใจของเรามากมายไม่มีไม่มีคำว่ารักษาใจมีแต่การปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปโดยลําดับ ปรหนึ่งว่าไม่มีทวีปอยู่ไม่มีโลกอยู่มันไปลายไกแสนไก่แล้วหาความสุขที่ไหนได้จากความคิดเหล่านั้นเลยนอกจากไปกว้านาความทุกข์มาเผาหลนเจ้าของตอนนั้นบัดนี้เราจะสั่งสมอารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจมีพุทธโธหรืออนามาบปาลสติเป็นต้นและอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบอันนี้บังคับให้อยู่ในนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ใจจะสร้างทุกข์หรือสร้างสุขขึ้นมาเราเราจะได้เห็นได้อย่างชัดชัดเมื่ออารมณ์แห่งธรรม เข้าสู่จิตใจแล้วใจต้องสร้างความสุขเพราะการอบรมก็คืออบรมเพื่อความสุขจะได้ปรากฏขึ้นติดใจของเรายิดสงบเย็นก็จะเห็นประจักษ์ตัวจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมากน้อยเพียงไรจะได้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเราเองเพราะธรรมะบู้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอที่จะหลอกไปว่าตายแล้วไปจะุจะไปสวรรค์นะไปนี่พานนห้นให้ทําบุญให้ทานรักษาศีลเพียงไปเปิด เป่าๆอย่างนั้นท่านสอนให้ทําจริงให้ทําจริงทุกอย่างไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการรักษาศีลไม่การไม่ว่าการภาวนาท่านสอนให้จริงจังทุกอย่างทําให้จริงทุกอย่างผลจะปรากฏตามที่ท่านสอนไปแล้ว น, น, นั่นแหละจะไม่เป็นอย่างอื่นนั้นขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ครูบาอาจารย์ก็ยิงล่วงลับไปหาใครที่จะแนะนําสั่งสอนข้ออัดข้อทําให้เป็นที่แน่ใจตายใจ ในทางด้านปฏิบัติกิดแต่พอนานี้จะไม่มีแล้วนะอืจะหมดไปหมดไปสุดท้ายก็มีแต่ลมๆแรงๆ แ, แล้วลือทางโน้นลือทาง น, น, างนี้ลือไปทางไหนไมีแต่เรื่องขรังทางโน้นขรังทั้ ง, งนี้ซึ่งเป็นเรื่องติดฉานะวิชาหาความเป็นธรรมไม่ได้อันนี้มีมากเวลานี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอพระเขาถามกันเขาจึงว่าองค์นี้เก่งทางไหนดีทางไหนครั้งทางไหนแม้แต่เราไปกรุงเทพก็เหมือนกันมีคนมา เขาบนับถือมากมากใส่บาทมากมายกถ่ความหลังที่ว่ามานี่นั้นดีทางไหนดีทางไหนนั่นเลยฟังสิเพราะมันเคยจนเลยเถิดมาแล้วมันจึงไม่ทราบว่าศาสนาแท้คืออะไรทำแท้คืออะไรพระแท้คืออะไรมันไม่รู้สิก็เห็นแต่อย่างนั้นเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาพระเองก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ได้ตําหนิติดเตียนความมันเป็นยังไงก็ว่าตามหลักความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมนั่นเองต่อความจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้เห็นพระเรื่องของพระก็มีทต่เรื่องขังถังแบบนั้นลือทั้งน้นลือทั้งนี้น ล, นลือแบบรุมนมแรง้งๆหาสาราไม่ได้ถ้ามันล่ําลืออยู่ภายในหัวใจนี่สินี่จึงว่าเป็นพระแถ่พระของพรุทธเจ้าสุปฏิปันโนชูญาญ า, ยาสามิกิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรงแนว่ตอตอลักทำหลั ก, ลกวินยัยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานจริงๆปฏิบัติธรรมสมควรจะทําหน้ากราบไหวบูชา แล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาท่านเรียกบุญยักเขตตังโลกาสะเป็นเนื้ออาบุญของโลกโดยสมบูร์ท่านเป็นที่หัวใจด้วยการปฏิบัติของท่านได้เห็นมรรคเห็นผลทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่คือพระของพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระที่ดีด้วยเสกนั่นเป่านี่คาถานั่นดูดวงชาตาราสีไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องดีริชานวิชามันแอบเข้ามาเรือพูด ง, ง่ายๆก็เป็นเรื่องของกิเลสมันมาตีตลาดใน หัวใจพระในกิริยาของพระในตัวของพระก็ไม่เห็นผิดหัวกิเลสมันละเอียดมากมันเข้าตีตลาดได้หมดมีงานมีการที่ไหนที่ไหนกิเลสจะเข้าไปตีตลาดเข้าไปตีตลาดเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อข้าเพื่อของส่วนเพื่ออัดเพื่อทำไม่สนใจนี่เวลานี้ธรรมะเรื่องศาสนากําลังกลายเป็นโลกไปกลายเป็นโลกไปชาวพุทธของเรานี่แหละเป็นผู้ทําลายศาสนาชาวพุทธจะเป็นใครพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่ พวกนี้แหละเป็นพวกทำลายศาสนาแล้วยังเพิ่มอยู่เออยังเพิ่มอกเพิ่มใจออว่าเราถือศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธไม่สร้างว่าถือแบบไหนนี่สิเพราะไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านจะประบัติหนีใครก็ปฏัมหนีไม่ลงเพราะมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมอย่างนี้เจะเสื่อมที่ตรงไหน เสื่อมที่หัวใจแล้วก็เสื่อมกิจยามายากการแสดงออกส่วนทำรรแท้ไม่เสื่อมคนนั้นที่เสื่อมจากทำรรผู้ปฏิบัติผู้นับถือศาสนาและเสื่อมจากทำกิจยาแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ไม่ค่อยมีและไม่มีนันจึงได้เสื่อมาศาสนาก็เพียงเป็นโลบางหน้าโกโก้ไปอย่างนั้นแหละเออนี่จึงน่าทุเรศต่อมากมายนะแม้เงินเพียง อย่างเมืองไทยเรานี่เป็นชาวพูดเนี่ยเป็นยังไงถึงไม่ต้องกัดต้องฉีกกันใช่จนแหลกจนเหลวไปไปหมดใช็ยังไงพุทธศาสนาทํากันได้ลงคอแล้วเหรือพิจารณาสิคนมีอาตมีธรรมจะต้องพิจนาไก่ไต่ตองให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ว่าจิตใดการใดงานใดมีแต่เรื่องลีดเรื่องไถ่เรื่องคดเรื่องโกงโอ้เรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีใครเกินมนุษย์ชาวพูดเราที่เป็นเวลานี้ด้วยด้วยคำว่าอ้างว่าชาวพูดชาวพูดมันเป็นชาวผีก็ไม่รู้ เราไม่ได้พิษพี่นี่พี่นาบ้างหรอเป็นยังไงมันเป็นผีเป็นอะไรพงษ์ก็ไม่ได้เห็นตัวอะไรนั่งหนาแต่ความโลภมันทำไมมันถึงโลภมากนะักหนาจนกระทั่งจะไม่มีป่าช้าเผาคนประเภทนั้นมันลืมเนื้อลืมตัวตั้งแต่าดนั้นเนี่ที่เป็นหน้าทุเรศถึงเอาเลอเกินตามีหูมีไปไหนมันก็ต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังใจมันคิดหมุนติ้วติอพูดทำมันเต็มปากนี่แหละมันหยุดเมื่อไรใจพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องสภาวธรรมที่ ที่เป็นอยู่รอบด้านไปไหนเห็นคนเห็นอะไรก็ตามมันว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายกิริยามนุษย์ที่แสดงออกมางในมันจะประกาศตัวของมันออกมาให้เห็นชัดเจนชัดเจนว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกบอกทุูประกาศประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วนี้ศาสนาคืออะไรมันหันหน้าให้ศาสนาเมื่อไหร่มันมีแต่หันหลังให้ศาสนาแล้วหันหน้าลงในนรกอเวกีมันรู้ตัวเมื่อไหร่มนุษย์เราแล้วก็ว่าตัวเฉลียวฉลาดมันฉลาดอะไรฉลาดขนแต่ฟืนแต่ไฟขนแต่ความไม่สงบสุข มาเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าสู่ตัวของเราเป็นคนฉลาดหรือคนแบบนั้นคนฉลาดต้องรู้จักวิธีรักษาตัวป้องกันตัวใื่แล้วทาความให้สงบร่มเย็นให้แก่ตัวและให้สังคมทั่วไปให้เกิดประโยชน์ทั่วกันไปนั่นนั่นจึงเรียกวเป็นคนฉลาดโดยอดโดยทมการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติเพียงตอนนี้เอาละพอ